Book 2ูแ8ดส2สองอดีตการสองเอชค r อราดื้อเอชคแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม อาจะดูให้ทุจริตเส ambulance อา a m b u l a n c แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมจะให้ทุจอาให้แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมด้ริเีย olicin อ p o l i i n คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับไอแคคุณ ม, ม, ม, ม, มีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ I n a d r e s n e park. a a d r e s n e park. คุณมีแผนที่เมืองไหมครับเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ I n plan n e e t e e p a k a plan n e t เ, เ ด, ด เ, เขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้ครับอน อ, อนวินนเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบครับ a อเจติรู้กันไอหนุกมุนทายเจนเตรู้กันอะ e อเจติรู้กันไอหนุกมุนทายเจนเตรู้กัเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจผมครับอตะุยอทอนุกุนคุตอะตุตอทอนุ มุปนทรทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับเซนมุนเทวเอนซเนุกมุนเดวเอนครทำไมคุณหาทางไม่พบครับเซนมุนเดตเจยรุกันเนุกมุนเดตาเจยรุกันทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ Stroke, ああผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมนุกมุทวีนคเซเซสกิชเตอตบัสนุกมุนดาวีนคเซเซสกิชเตอตบัสผมหาทางไม่พบ เพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองนุกมุนด a ตาเจซซสกิชผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป n u กมุนดตเซบาอิเตา ซซ์เออิ e ผมต้องนั่งรถแท็กซี่มูเดชเตเอแท็กี่เมรอญผมต้องซื้อแผนที่เมืองมูเดชเเ ผมต้องปิดวิทยุม u เดชที่ฟิเคราเดียมมูเดชทดี่ฟิเ k ร r เด i o n